สตโรนะ น, น่ะเกิดจากเทวีของเธอนะ่ะเมียของเธอนะ่อพระเจ้าไม่ไม่ใจนะเบบใจไปเกิดนะทิตาพิคุณนะไปเกิดในท้องนะเทวีของพระเจ้าสตโรนะั่นเข้านั่นค้นนั้นนะออรดับพรกุมู่อดราชมารพนะโสดังเค้น น, นนะันะ้มมนนะนะค้น น, นั้ น, น, นสมเด็จพ่อนะ น, นั่นออื พระเจ้าชตโรให้เอาบิดพนไปขีดหนะ้าเท้พาพญาพิมิสันเราเกือเอือบหนะ้ารองไห้มดคืนตายกลงคืนนะนั่นทีนี้ น, น, นนะการเป็นหนึ่งไปโทนพระเจ้าพระเจ้าตโรนะอามาตย์ไปโทนการตายสาเร็จพอนะสวรรคตนะนั่นเอกอามาตย์อีกค น, นึ่งไปโทนนะมงกุฎ ร, ราชกุ ม, มารงามที่สดเกิดขึ้นใน คืนนะคืนวันนี้นั่ น, น, นแล้วก็พากันไปรออยู่ระหว่างนั้นพระเจ้าสัตวโตรเนี่ยยังไม่ยังไม่ตื่นบรรทมนะนั่นอืเมื่อพระเจ้าสัตวโตตื่นบนท롬 ม, มาแล้วนั่นอามาตทั้งสองอย่าง น, ะนั่นทูลอะไรดีการตายห <c oughs> รอือการเกิดดีนะ น, น, นะนั่นอามาตคนหนึ่งว่าทูลกันเกิดดีนะเป็นมงคนนะนั่นอืม การตายมาทีหลังทวนทีหลังนะนั่นระหว่างนั้นพระเจ้าเสด็ตืต่นขึ้นมาบรรทมนะมาอยู่นั่งอยู่ในจักรกลีนะน่นในปราสาทนะนั่นในบรรลังนะนั่นมาโทนว่ามงกุฎ ร, ราชมานงามมากที่สดุดประสนแล้วเบิินนี่นะ น, นะนั่น มาพระเจ้าสกุลเต้นเที่ยวนะเต้นนะชื่นอกชื่นใจเหม่อนะพระเจ้าเมตไตรนะเกิดนะไปเกิดในท้องไปเกิดบนบุตรของพระเจ้าสตรในครั้งนั้นนะเชว่าเิตะพิขุเิกะพิคุนะนั่นะ<ม>ตืนเต้นบาดเที่ยวนะดนดาดอรถนะจะแทนสมบัติในกรุงราชสักขะนะสมบัติอันใหญ่นะั่น แล้วได้แหละเขาโหนะการตายสมเด็จพ่อนะแม่พระเจ้าโตอนอนเก่งโด น, นเกลืองเที่วนะคิดถึงสมเด็จพ่อเท่วนะนันอืสลบไปนันอุห ม, มาดพัตยังมีชีวิตอยู่ในะขณะนั้นแพทย์ใหญ่แพทย์ใหญ่นะทําอ่างโอสถนะนันพระเจ้าสโกรนะสลบไปหามเข้าในอ่างโอสถแช่น้ำเท่านขึ้นมาได้นั่ น, น, น เปิดมาได้บ้าได้น ะ, ะเขาทูลเพิมอีกทีบ่าตายเมื่อคืนนี่ตายด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นนะสรุปลงอีกทีนะพระเจ้าโตนะนันมาข้องมาคิดว่าเราคิดถึงนกะลุ่มมารที่เกิดนนะบททุตรของเราแม้สมเด็จพ่อกันลักเราเหมือนกันเนี่นันเราฟังคำเทวทัศน์เี่ไม่เหมาะงา น, นยังคิดถึงโทษทั้งเจ้าของเรานะนันนี่แหละ ตอนนั่นเนงนะชาวตะกรุงราชกษัตริย์พยายามฆ่าพานะนะระเจ้าสกุลนะนะพระเจ้าสกุลไม่มีสินธรรมแล้วจะให้สวัยราชสมบัติไม่ควรจะลงเบอฆ่าชะาวนาเนี่ยนะแล้วอำมาตทั้งหลายเนะี่ยน่ะฮจะไปหาคูทั้งศกให้นาําพระเจ้าสกุลไปฟังโอวาทคลายไขความเศร้าโศกนะดันะอำมาตยอีกคนหนึ่งนะอยายายา ไปหาองค์สมเด็จพระพมีภาคเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ส่วนมะม่วงของกลุมเมือขุมมารพัดนะสร้างถวายพระองค์นะแมาพยงนะพระเจ้าเตาไปในข้างนั้นนะพระเจ้าโตสะดงพระไทยเรื่อยๆแล้วเอาฉันไปข่าหร้อไปยังไงเงีนยยงไงเท่นะขุมมารพัดผัครองจิตของพระเจ้าสโกไปไม่เช่นนั้นน แล้วนี้่ปหาองสมเด็จพระพระเมรภาคฆ่าพระเจ้าไม่เค็ดจะโปรงชีวิตของพระองค์นะนันเครเบื่อไหมว่าข้าพระองค์จะปรงชีวิตนะข่าไปาพระองค์นะมีเป็นเป็ น, ปนบทบนธรรมของพระองค์นะไปเรียนแพทย์มาจากชิลานะเชี่ยวชาญนะนันฟังคําข่าพระองค์นะนันนี่กุมาราพัดปอบกิจของพระเจ้าสุตโตนะได้อา้าวพระเจ้าสุตโตนะไปถึงนะ สมเด็จพระพุมมีพากไปขรังนั้นพระเจ้าสจูนะเพลินไปเพลินมาเที่ยเศร้าโศกมากเที่ยวองค์สมเด็จพระภูหมีภาคร้องเห็นนะขอดภายนเห็นเปรตสุดโตเศร้าโศกในข้างนั้นพระองค์นะมาว่าเพลิมานะมานะนั่นพระเจ้าสตโจูนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวตั้งสติได้ฮ แล้วพระ อ, องค์ถามว่ามาระหว่างนี้มประสองค์ยังไงมระเภพลศไนงะประสองค์อย่างหนึ่งพระเ่ยวข่าเวลาในข่าพระ อ, องค์นะลายกาที่โสดนาะอนันต์ประกรรมนะตรงเสวิตของสมเด็จพ่อนะนั่นไม่มีที่อยู่แล้วคิดถึงสมเด็จพอมากแนละ้วไม่มีที่จะแก้ไขนั่นแล้วแต่พระ อ, องค์จะโกรนั่นในพระเจ้าสัตว์โทนให้ พระพุทธเจ้าทราบ พ, พระไทถนะ่พระองค์บอกว่าอ้าวไม่เป็นไรมหาประเภทนะรับพระไกยชนคอมเส้าใหม่เส้ใหม่นะนั่นไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมนะนั่นตอนนั้นประชาชนน่ะขายความข่าพญาเจ้าสัโตนะนะั่เพราะพระองค์น่ะตัดสินแล้วนะเขาท้าวท้าวเมืองนะเขาเชื่อพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตัดสินว่าไม่เป็นไรนะ พระเจ้าสตโตยังมีชีวิตอยู่นะนะั mm ่นอได้พระองค์เลยเห็นว่าพระเจ้าสิโตองค์นี้นะจะยกย่องศาสนานะจะยกสังขยาดัยเป็นศาสนาพุทมภกนะนะั mm ่น hmm. ในี้และพระองค์เห็นอนาคตข้างหน้านะนะนั่น่นละสันได้ก็ได้ความเศร้าโศกไหมนะนะั mm ่น hmm. ท่านโทษนะเศร้าโศกไหมนะนะั่น ตง้งไปเขาไปหาพระนะนั่นเหมือนพระเจ้าสัตเราไปไปหาพระพุทธเจ้านะนั่นเหมือนสันติอมร์นะเธอนะไปหาพูะเดเจ้าแก่นะนั่นไปหาองค์อื่นแกไม่ได้หาอะไรหาอะไรแก่ไม่ได้นอกจากพระพุทธธรรมประสงค์ไปแล้วนั่น ในละฉันนายก็เดยอย่าไปเท่งพระพุทธประธารมาสองนะเป็นของใหญ่ที่สุดนะนันอย่าลืมมาได้ราบประโยชน์อันใดอย่าลืมคนพระพุทธประธานมาสองนะนันเป็นของใหญ่ที่สดเป็นของใหญ่ที่สดนะสีจะสร้างบารมีที่จะกัดพระพนธเจ้าได้นะแม่ไม่เช่คเล่นนะ น, ะนะ mm ัน hmm. ไม่วันละ องสาเร็จพระพมีภาคนะพระอนนรปชาสมาณะตามหลังพระ อ, องค์ไปบุกละ อ, อ, นอนนะทถาคตนะสร้างบารมีนะเอาเข็มอาเข็มนะจี๋หลวงแผ่นดินไม่ถูกกองฟอนทถาคตไม่มีนั่นนี่เทียวความเวนวายไตเกิดที่การเป็นพระเจ้าสร้างบารมีหนักถึงขนาดนั้นนั่นพุทธฟอเป็นของใหญ่มากที่สดนะ แล้วเทนี้นะอุมาศกอุมาศิกาคนไหนถือถือพุทโธนะนะผีก็ต้องกลัวนั่นยักอะไรต้องกลัวกลัวหมดทุกอย่างเถอะนะนั่นเพราะยังไงเป็นอุมาศกเปอุมาศิกาแล้วนั่นอุมาศกนะนั่นถือในมงกุฎราชุมานของพระเจ้าอุมาศิกาเป็นราชิดานะนั่นนี่ยศใหญ่บัติสดนะนั่นแล้วผีนะนั่น อยักษ์เนืะอน่ะไอ้ปร ะ, ประหารลูกกษัตริย์ไม่ได้เก่งกลัวนะเก่งกลัวสมเด็จพ่อนะนั่นในละคนเญ่งนะอยู่ในพมานะอย่าไปหวาดเสียวไอ้ผีผีสังสางนะไม่ได้นะใครไปทํำลายไม่ได้ลูกกษัตริย์นะนั่นเก่งกว่าสมเด็จพ่อนะนั่น แค่นา้นอุบาชิกาที่เข็ดที่ขวางนะนั่นให้ทําไรทํานาไม่ได้อุบากอุาชิกาจับจองได้ผีไม่เบียดเบียนเขาเกรงกลัวนะั่นเห็นมาหลายแนวนะั่แล้วนะั่นวผีไหนเข็ดขวางนะพระกรรมาฐานไม่ภานาสถานที่นั่นต้องจืดเที่ยวนะั่นผีต้องย้ายไป อ, อยู่ที่อื่นเกรงกลัวนะนั่นะอํานาจพทุพทธพุทธเป็นของกลางที่สดนะนั่น พุทธคดตัวเดียวนั่นอย่าไปเอาทมโมสังโ้อเอาว้ชก่อนนะเมือ่อลูพุทธพอแล้วกระแสจิตลูรมโมลูสังโคนะนั่นเพราะยังไงนะรัตนาสามนี่ผา ก, กันไม่ได้ผา ก, กันไม่ได้นะนั่นติดต่อกันไเรื่อยเท่านะนั่นนี่แล<ม>หละคอยต่างอกต่างใจนะทางราชการส่งมานั่นแล้วก็เบื้องไทยนะั่นะ มันได้ยินในฟังอยู่นั่นม้าเลยไปวัดไปว่าไปฟังวิทยโฟังเทิดได้เนี่ยแล้วเทนี้น่นนะอุมาฉกบาศิกานนทำบุญได้อุเทศบุกุศร น, นําแหม่มันสะเทือนถึงการอนความเล็ดเด็ดในวัฏสงสนาได้นะนั่นสะเทือนถึงการอุ้มกันได้เท่านะนั่นเรามาอยู่พระแทนเรามันเปลี่ยวเนี่ยนั่น ต้องรักษาจิตให้มากๆพุทโธให้มา ก, มากๆเสียนะนั่นพุทโธเลี้ยงหัวใจแล้วน่าจะชุนบานเยือกเย็นนะนั่นไม่ร้อนเหมือนเป็นฆราวาสนะจิตของฆราวาสร้อนนั่นร้อนด้วยราคาร้อนด้วยโทษสะร้อนด้วยโมหะนะนั่นเรื่องโลกนะนั่นแข่งขันกันนะนั่น ทำราชการแข่งขันการทำงานทำนาก็แข่งขันเป็นเศรษฐีก็แข่งขันร้อนนั น, นเรื่องศาสนาเป็นของเย็นที่สดนะนันสาวกของพระพุทธเจ้าปลดเปืืองหัวใจออกจากราคะโทสะโมหะหัวใจเย็นนันเชิญมาดีนะอย่างเย็นดีนะนันนี่แหละขอยายทิ่งพระพุทธประถามไปสองนะนัน นัยยะเนี่ยนะชรพรชนละพรมะในชอยตีละโสยาธาโยเววันโตสรบบ า, าบาโลกวินาชติตโตมาเตภาวัตวันตละล ย, ยโยโสกิดดิายโกพาวะอั พ, วอพิวาดันาเสิจานิจางุชาปาญินโน จัตตลธรรมวชานติอายวันนยโสขางมะรังอน้ำวนไปกลางนี่ก็ฝ้าหลวงมาโอกาสหลวงมนหลายบอกเรืองอะไรจะฝ้าหญิงมาไหม ฟอพอดีละพอดีรถน้มันสลาีใหม่สใหม่พอสอบใหม่สองพันห้ารย่เจดนะสลาปีเก่าสองพั 2, นารยบหกไปเด้งสบสองเดือนแคบเป็นวันส6 5หสบห้าวันเพื่ออายุยืนเนดะ อายุยืนาเทีนี้ระหว่างองค์สมเด็จพระพระุทธพาคยังไม่ชีวิตยอยู่ค <c oughs> อองให้พรแก่ประชาชนร้อยปีร้อยปีมาชีวิของพระพุทธจามีแปดสิปีเข้านิพพานนะนานประการในและทีนีนน้ขอมีวันณะอันงามวันละอันงามเปล่งปล่างนะปลาทจากโลกนะนั่น ความบาดแจกโลกนะ่ะเป็นลาดอย่างยิ่งเนี่ยมีพุทธภาสิทสืสอนขึ้นมาเช่นนั้นยังไม่พอใจขอให้มีความสุขพรามเทือบททั้งเศ น, นักนอนยืนเดินนะ่ะอยามีความสงสกนะลาเลงอยู่ในพุทโธพุทโธนะนาฏประการหนึ่งขอให้มีกำลังกายนันแบบขามอะไรจะอิดลอยนั่น มีกำลังวาจาการโตอตอบพูดจาประัยเก่งมีปฏิภาณการโตอตอบเก่งคล้ายพญาเบลิงกับพนากเกษฉันไดนะนั่นไม่กอดฉันนด้ขอให้มีกำลังจิตนะกำลังทรัพย์นะ แ, นแม่ข า, ขายให้ลำรวยหนะงมาทำราชการขอเรื่อนยศหนะังมาทำนาขอแยกไปศบไอ้ฝนแรงหนะ่ง แม่ท่านเจ้าฟ้านะนัน ม, มงกุฎราชกรมารทิดาขอให้สอบได้หนะึ่งในอเมริกานะนันและท่านทั้งหลายนะขอให้ลูกให้หลานนะสอบได้นะนันพรใส่ประการได้ไนดะ้สำเร็จมาจากนามพระไทยของพระเจ้าได้กรองเป็นพระมหมากรนาอย่างเงี้ยนะอย่างเงีงนะ้นะนัน ระว่ังในองสมเร็จพระพุทธภาคไ่ผ่านไปแล้วอิติสวกที่ขั้งขลังก็ไดผ่านไปแล้วเนร่ยพรสิบการในอาตมาเป็นสมติสองอามาชายอามาชายนะอามาชายในโลกนะนั่นยังไม่คนเกิดคนตายอยู่นะเนี่ยระยะเนี่จะลดนำะมนให้ทันทั้งหลายอย่างที่เอามา ไชยันตพิยาโอระศักยันตังนั่งถึงกันหนตากันเ่ยครับให้เอาใครเึ็นยังแข่นั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนเยาวนนี่ดีมืคือมือนไมือไข่ากันตีกันนี่ใครดีใครอยู่ใครไม่ดีไปเลยมันเป็นงั้นมันชงคัญด้วยครับมันให้มันข่าแต่นักบาสเท่านั้นครับครับ มันว่าเอาทิศละทิศหรือสีน่มันมากปัจจุบันนั่นใช่ไหมเราต้องแทนนี่เไปสองสางวันน่ะมั่งไม่ได้พูดไม่ได้มันไม่เชื่ออืท่านอาภุโธปทรมมันจะเชื่อยังไงมันอันดีเอาแนต้องเอาทั้งเก่าอย่างเอาอะไรบ้างเขามันเข้าในพุทธคุณฆาบการนะครับเอ้รา หนังสือมเดไทยแกให้มันก็อ่านไม่ได้ครับหนังสือไทยครับไม่ได้เนาะไม่ได้หนังสือพม่ามาฮะเขาก็อ่านไม่ได้สักคนนี้มดแนวเขาผูกทวนทางเลยยังไงมดแนวเขาูแลกเรียันก็ไม่ได้เลยเป็ผลเลยอก็งเบื่หนากันหดกันอยู่เไม่เห็นท่านท่านมวกพากับท่านแจเหรียญน ไอ้พวกนี้เอาผ้าสังกาสีไปว้ามันเจ็บจุมดีขึ้นมั้ย <c oughs> มันผ้าสังกาสีไปเรืนะ่อย <c oughs> ่อ้มันขัดคองแต่เจ้ากรมนี่กับคุณหญิงนี่ขันเก่งใจทู่มทุ่มเขาไม่ว่าอะไรครับ <c oughs> ไปไมื่อวาเขาไม่ว่าอะไรตัวนี่ไม่ว่าอะไรเนี่ย มันในที่ที่ครับพันโทสฉม่าตไปนะนี่ได้แยกกันไปหยุดฐานบกสององค์อยูุดฐานเมื่ออยู่พลเรือนสององค์นะครับอันนี้ไปกองอยู่วันเดียวมาทูทำใหญ่โตเนี่ยไปกองขี้ของเย่าอยู่เองเดียวครับไอ้แล้วก็โทษฐานเรือมีมีว่างอยู่อืมนับอยู่แล้วก็ฐานบกมีรับอยู่แล้วก็พลเรือนมีอยู่ ตุได้ในลงังใช่ในสองใี่ในสองในสองเนี่ยไม่ต้องทำบุชดึกเขาขายือขเขารเนือเที่ยมันเน่อคืนร่างการงกาเอาอนุมัติของเป็นหาเพืยอแก้เราส่งจีวรเราสักรคดีไม่ได้ต้องมัดอกยังเข้าได้เนี่ยมันเอาแต่มติ้าของเนี่ย แต่พระนะทางหลายเนะี่ยไม่คุ้นเคยอันนี้มันคุ้นเคยนะไอ้พวกนี้ไปคุยนําพระน้ำไรเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยแล้คุ้นเคยปุริษด้วยอะไรด้วยครับตรวจ ด, ด้วยหานด้วยคุมนเคยยากอย่างถูกแล้วคุ้นเคยกันง่ายโยกกับคนทม่านี่นะ่ะถ้าเราพูดรู้เรื่องกันนี่ดีโพดดีโพดผมไม่เชื่อได้แต่เราพูดกันมาได้นี่นาะ มันมีหน้านด้วยมันดีอย่างหนึ่งครับคนะดฮ่าไม่รู้จักพวกของเขาแล้วรูปภาษาอังกฤษนี่ครับนะภาษาอังกีษยังหูว่าป <c oughs> ากนี่ น, น า, าอายู่จะพูดพิจารอาศั ย, ยรครุณหญิงสาุทุรนครมาลงรึโคูงรนักเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่ตุกินอุดมนี่ ไอโซนี้อคนี่เขาเกมันมันมันจมกระจัดกิบผมคกอคยนี่โซก็ดกันนะมีโซนีแต่มันไม่พูดเป็นมันบเกี่ยวก่อมันชักลุมให้คนเรื่องใส่าจนะพวกพิงครับไปไปยื้อซ right. like ื ha Damn, yeah. ้อแนว้อว่าไพูดไหนก็พูดมันมันมีน้ำมีนวนเ่มันมึกมันคือ คุณนายสาธิตธรครับยิสูพูดเป็นเหรออือไม่ครับเก่งมันมันมันชาเหอยิสูมันเข้าดรเรียนวัดชันชันไหครับเกออ่งแต่ว่าให้บอกให้พูดง่างรรยง่ายง่ายพูดเยอ เรื่องธรรมมธรมน์ชักนำเขาทำงานเปรียบเทียบมีการกรยายสมัร ม, มันบ่มีมน้ำยีสูงไมเข้าใจมใ จ, ม, ใจ ม, ม, มันบ่มีมนั <laughs> นกเข้าใจธรรมะแกเจลิตภายในนะให้ไปท้ำตะกุ่งเถแก้จลิตภายในมันขันโยกมันติดอีตอนนั้นตอนนั้นมันมั่งได้อะไรได้ <laughs> มั่งโลกแบบมั่งคำําอีกที ก, ก็แก้ทีนน่โน่นนะแทนท่านอาจารย์มันแทนท่านอาจารย์เสาท่านเร า, เร า, านั้น่นท่านมนิพพานไปแล้วมันเป็นง้ครับมัน เ, นเองผมก็เข้าใจว่าผม เป็นพม่าหลายหลายชาติเหมือนกันมติดถินนนี้ยย่งไ่านอาจารชอบนะครับมั<ช>นไปได้ติดพม่านะครับนะมันอาจจะเป็นได้นะ<笑><笑>แต่ว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมนั่นแหละมันเอารัฐีท่าอาจารยมันน่นอยู่ท่านอาจมั่นไม่เชื่อชาติในอริสัต์อย่าไปใช้นะ ในนิมิตทั้งหลายชีวิตทางชีวิตมันแน่หนักในการทํามำเพียงครับนิมิตเหมือนกันครับนิมิตแต่ผมไม่รับนิมิตเห็นพระพุทธเจ้ากับผมไม่รับมีเห็นบุพพบุรุษสร้างไส้ตะกุ่งเห็นกนแต่ผมปิดอืมปิดเดยอะอ่าอีเมตตอนรับเท่าไรเราเนี่ยไม่เคิญภาวนาเนี่ยไมตตอนรับเนี่ย ลูกก็ตามไม่รู้ก็ตามเรื่องนั่นแหละอืมออันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นทหารท่านอามัน่นท่านว่ากูเพริศเทมิศุเนี่ยของเขาเรื่องอะไรไม่ดวนไม่ควรสนใจสนใจละหละัก่าวของเราดีกว่าผมเนี่ยเทวดาในงานในงานในงานในงานผมไมส่สนใจครับสนใจธรรมะอย่างเดียวนะเพราะมันชีวิตมันน้อยแม้ใ <Okay. S 1> จง่ายแม้ท่านอาจารย์มัม่น เนี่ยออื่นเนี่ยเพ่นสนใจแม้อื่นสนใจมันอดี ส, สัตว์มันล้างอยู่เี้มันไม่ติดดีมิตเนี้ยมันไม่ติดดีมิตเหมือนเง่าคนณย่กคุณธางมแค่ขึ้นกลวงเนี้ยใอ้มันติดดีมิตเนี้ยมันขาดใจลจรัชนะทุกครั้งจังหลัดตาประาศทันแล้วหลงเชื่อไป ความลึกซึ้งของธรรมะของตัวเนี่ยอยู่ในประเทศไทยในสามปีไปอยู่ในสามเดือนนี่มันอะแต่ว่าอันนี้นะนะอันพรรมะนะอันเรื่องานาเขามันมันมันมันพูดแรงครับมันเชื่อมนะกิจเดิเนี่ยมันพูดแรงมันเอาอะไรพูดมันนับทดแทนมันนะมันพูดได้พิธีนะ โอ้โวโววัวมันสะเทอนจิตเงไปกลนงวันเนี้ยมันก็ไม่มีคนดีฮะมันก็ฮ้อนกัร้อนมันร้อนคนบ่ายแล้วมเออชายช่วยได้มันมันมันร่มครับเยธาดาตมังเกาทาดุเงี้ยเอาธาตไป้นะว่าเป็นสถานที่ อบรมจิตใจของคนพม่าที่นั่นนะดีมากงงว่าในที่นี้ไอ้มันเหมือนทำม้วนเรื่อยๆครัคบวงน้ำเวทย์ชุกนั้นไม่ได้ทำมันมันไปมันไปมันมาอยู่ได้คณะอบอกไปเข า, านามในธาตมันขุดครับมันมันว่ามันจะตายได้ไงทราบไม่ได้ มันติดมันติดแล้วพวกกูติดนิสัยแล้วกูว่งบุญเลยเนผมก็ไปนมัสการไปไหว้ไปไหนส่วนพ้นเห็นบุญหลายเขาขาใจยังใส่เหนือผมเขาขาใจส่ไปภาวนาไปไหว้พระธาตุไปนั่งสมาธิภาวนานี่ในบุญหลายอ่อใบุญหลายมันเป็นยังไงเนี่ยอ้โหงัท่านบุพพาท่านเรียนเนี่ยท่านยานุพานนเอาฉันคติไปอ่ะ เน่แตงตัวมัดแตงตัวเหมือนเดิ้อยแม่เสื่อนินง่็ได้ยินท่านที่มูลนิธนี่ดีคุมดีใจขาดถามขวางนั่นด้วยก็เดินยืนเดฟังเลยคับไปฟังเทศไหมมีมีามีทุกพื้นนะง ผูวํานวยการทีวีสี่องเก้ า, าไปเมื่อคืนแล้วมาเนี่ยเรื่สีเนี่ยพ่นวยการทีวีสีซองเก้าผู้บริการที่มีสีผู้อําน่วยการโทรทัศน์สี่องเก้าเ <c oughs> นี่ยพ่น่วยการโทรทัศน์สี่องเก้านะผมไปติกล<ม><ป>ับไปหาเพื่ครับ <c oughs> คุณประยุทธ์เี่ยอย่างน้ำตะกุลอย่างนี้่ละ <c oughs> คุณคุณประยุทธ์าาน่ะมาเจริญมณ์ไปแสดงธรรม ท, ที่ทีวีสีซ่องเขา่าสีไปนิมนต์ไปเทศนาออกโทรรัต <c oughs> น์ผมนะท่านเคยไปเทศนาวัดเจ้าฟุลยูเท่มีนนะนท่านกี่ครั้งนะเทศนาวัดไงเคยเขานิมนท่านไปแล้ว พี่น้อยก็มีส่วนเนาะตูท่องนั้โมมาวะโมนั่งอยู่ น, นั่นเนานะเฮ้ยมันแคบแลยเนาะเจ้กัสเป็นบ้านทุ่งสีงนะแหละครับไปปู่ไปนอนอยู่ข<า>้องน้ำเฮ้ยหลวงปู่นี่มันมักน้อยเอาผักเอาเนาะขาวปุน้อยมันค่อนมุมีสับ ทนถามว่าลุงปูบับวมีผ้าปูนอนบวนอว่อาท่าน <c oughs> มโนเราันเป็นซี่ครับท่านเป็นเสาคันว่าท่านเดเทเมีเนะนี่ยนะเนี่ยคมเพียรมากอ่ะเอาหัวหมุนมะพร้าวนะมาเนี่ยแล้วทีนี้อันนอนเนือนอนกระดานอตัวน้ำมัมนตัวอแล้วทีนี้ก็เอาเหือดมาเนะี่ยเอาอะไรมาท่าน เมื่อมาคิดนาถึงท่านกิจส่อพูดท่านไเบติมีครับ<ม>อุชาครับคนประมาณตัว<ม>นอนไหนนอนได้กัน<ม>นอมนไหนั้นได้ความมักน้อยแซนโด ด, ดนี<ม>่สํายอันนี้นะครับเจ้ากรมกับคุณหญิงให้ถ่ายแสดงไปพมานะ่าเนี่ยงั้นว่าไม่เอานไม่ถ่าย <laughs> <laughs> ไม่ถ่ายเอา <laughs> มันมันมันดัดตัวมั้งใ่ไครับนี่มันมันชันดานมันเป็นราคาที่ดีเดอมะเทเรออันเกี่ววงอลงามๆมันบิดตัวมันแยงตัวนะครับเนี่ยมันปิดอบับดัุกเนี่ยมันเร็วแบนี้เนี่ยสัมภารผมระวังตัวนะครับท่านพระบัวน่ะนักลูกศิษย์ทานเจ้านั่นมือท่านเจ้าดุยมักน้อยที่สุดนี่กรถินอะไรใหญ่ไปกรุงเทพนะคร ไปขายให้หมู่เพื่อนผมว่าเอาของเก่าของเขามาใช้ครับนะฮะบัวเห็นในตอนนั้นนะครับอืเห็นในความความสุดยอดด้วยผมนะครับอ <c oughs> เห็นในตอนนี้นะะบัวมีทุกสิทงิทั้งยิมันมีคงเดียวมักน้อยที่สุดนะมผมไม่เหินนะครับจุคงควอนอะไรนะครับมันเบ็ดมันปฏิบัติบม่ได้มันสันเน่าพาร์เดียวแล้วครับ น, นี่มันอัปรีในตอนนี่นะครับเกเป็นเป็นพระโมคคราช อหลกโปเป็นพระโมคคลาตโมขลาตจกินอยู่ละแต่มันขัดในบาตรขึ้มนมาได้นะครับอ๋อมันโมเป็นปัญหาดอกอันนี้ผม โ, <ล>โมเมันหาอย่างหรอกมันมันหายไงครับอันนี้นถ้าท่านมีชีวิตอยู่นะภูมขึ้นบ้านถือนะขันลอย่านลอ ย, ยนะอแค่นี้มาตรนะเดี๋ยวไอ้เท่าตายนะนี่น่นี่ไม่เคๆๆ่แก่เธอนะนี่มีนะครับนี่มีคาใจอยู่นี่นี่นี่ไม่เป็นไรดอกผม แล้วมันมันฉันในบาทเนี่ยมันคือมาหักแล้วมันกินไม่อร่อยครับมันผอมใชหไหมบัวคบวัตทุกอย่างครับท่านเจ้เทศเขาไม่ครบอาจารย์สารนะผมเห็นแล้วนะอยู่กับผมเพา่ด้วยกันนะอาจารย์สารอาจารย์สารเนี่ยเห็นนั่งฉันนอกบาทให้ครูอาจารย์มันเห็นอยู่งั้นแหละครูอาจารย์มันก็ไม่รู้ว่าจะทําไงเข้าตาเขียวเลยว่าได้เท่านั้นแหะ ผูเ้เลบนท่นไ่ตื่นไมตื่นพรอาจาราไม่ตื่นของ <จะ S 1> นิสัยท่านเป็นอย่างนั้นนะเจนตื้หนึ่ง <Caitlin> ผมหนึ่ง <c oughs> อยสารหนึ่งอันนี้ครับยันจวันหนึ่งนั่นแหละดื้อแบนี้เอากินในพากินตามนิสยัยไม่เห็นนะที่ท่านเนียมอะไรฟังเจนตื้นอยู่ท้ายโน้นสดโกโกโ ก, โกอยู่ท่านจนมันดา่ดาด่าไปด่าไป กืสร้างเพ่อจะกินอิ่มแล้วเข้าแล้ะมันมันมันกำลังดาแล้วขี้ข้านดาวแล้วหยุดครับเนี่ยอยนะมันมันมันมันเป็นดอกบัวมันมันเป็เกลียวในเปลือกตเนแล้วนเป็นอาหารของเต่าของป่าแล้วนะจำาผมออาไปนะพักวันฮับบท่านบัตนะมหบันะนานไม่ได้ เรามันสัญญาชัว่วและได้ทําให้ลูกศิษย์ทุนท่านไม่สี่แ น, น่แน่แยไม่ได้แล้วลูกศิษย์คนไหนนี่กนะันแนะนําไปหาท่านมะบัวมาฝึกหัดทั้งหลาคนะยิ่งไปเพราะมันครบหมดทุกอย่างครับนี่ออื่นไม่ครบแล้วมาที่กยนนากันท่นี่ครับนี่าท่านเจนเทนด็ด่าด่าเขาได้เนาะ ด่าท่านอาจารย์เด็ดบังบุได้ด้วยแบบนี้ศัตรากมาท่านมาได้แนะผมศัตรากไปแน่ด่ามาท่านแกจารมันไม่เคยทางานทะลุนะด่ามาด่าท่านอนจารย์สวัสดครับผมนะครับด่าท่านยนเทิด <c oughs> มันเป็นเอซีครับใน <c oughs> พูดต่ามไนให้ฟังแล้ว ท่านจะไม่เอาวัตถุสิบอย่างที่ยาสัตยะไปนะนะบิดามดาป่วยนึกสะทิงมะลิออันติวสิบแล้วขัดสนไปเรานี้ปินโตน้เลยแล้วอิประการหนึ่งแดงอาวาตสํารวจนะสัตยาไปแต่ต้นไม้ไดีอยู่ให้ปีแก่ลักษณะแก่ไปแม่แก่เนี่ยท่านเอาท่านกันมั่นแนะน่แน่ะ ไม่เคยเมยนะเนี่ยแต่ตอนนี้ทักเลยเยมันก็อีไม่ได้ดิเนคุไม่ได้คนระับนี